พระธรรมเทศนาลำดับที่แปดโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในโอกาสวันประชุมเพลิงคุณยายน้อยนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวาตสังขาราอุปาดาวะยธรรมิโนอุปชิตตวานิโรธสันติขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนสัมปาเดธาติติวันนี้นับว่าเป็นวัน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 แต่ด้วยกฎอนิจังทุกขังอนัตตาประจำอยู่ในโลกจะไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้คุณยา่าคุณย่าน้อยของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นท่านก็ไม่ห ล, ลีกลีกลี้หนีไปพ้นเหมือนกันถึงท่านจะไปก่อนแต่พวกเราท่านทั้งหลาย ที่นั่งอยู่รืยการทั้งหมดเนี่ยก็จะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังแต่บางคนก็บอกว่าคนนั้นอายุแก่กว่าคงจะไปก่อนก็ไม่แน่ทีเดียวบางทีคนอายุหนุ่มไปก่อนก็มีอายุแกก็ยังไม่ไปก็มีแต่ถึงยังไงแกหรืออ่อนก็ไปด้วยกันทั้งหมด ไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้อันนี้คือกฎอนิจจงคือความเที่ยงแท้แน่นอนที่สุดคือความตายความตายเนี่เป็นอันเป็นนิจจงแต่อย่างอื่นเนี่ยเป็นอนิจจงของไม่เที่ยงแต่ความตายเนี่เป็นนิจจเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาเท่าไหร่มากน้อยไม่รู้อยู่ขั้วโลกไหนอยู่ที่ไหนแปลว่า ถึงจุดจบด้วยกันหมดทั้งสิน้นคุณย่าน้อยของเราก็เหมือนกันแต่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจคุณย่าของพวกเราเป็นผู้ไฝ่ในการกุศลคือตระกูลของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วที่หลวงพ่อได้สืบสอบดูประวัตินั่งคุณย่าใหญ่ของเราคือคุณแม่ของท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น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 ยึดเป็นชีวิตจิตใจจริงๆถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่เหรียญล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเรารัรบเคารพนับถือเพราะนั้นลูกหลานควรจะยึดแนวแถวที่ปู่ย่าตายายของพวกเราพายึดถือปฏิบัติ เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราเราดูมานานเราดูมานานคบกันมานานโดยมากไม่มีเลี่ยเลี่ยมไม่มีอะไรตรงไปตรงมาเป็นผู้มุ่งมั่นปฏิบัติศีลธรรมจริงจังตั้งแต่หลวงปู่มั่นตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปูเ่เทศตรงตามหาบัวล้วนแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติ ตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อท่านได้หลวงรับไปอธิธฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้ได้พวกเราได้กราบไหว้สักการบูชาเราจึงมั่นใจว่าสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเป็นสายอริยะถ้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นก็จะถึงมรรคผลนิพพาน เองเนีเพราะนั้นตระกูลของเราที่เป็นวงสาคนาญาตจึงได้นับถือปฏิปทาเรื่องาสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นมาโดยตลอดมาถึงยุคนี้สมัยนี้เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนให้ยึดแนวแถวที่พ่อแม่ปู่ญาตาิยายเดินมาถูกทางแล้วนะหลวงพ่อว่านะ อย่างหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันอยู่ทางจังหวัดมุกดาหารหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นก็ไปอยู่ที่แถบน้องสูงคำชะ อ, อ, อีคนปู่ของหลวงพ่อคนย่าของหลวงพ่อเนี่ยก็นับถือปฏิบัติห ล, ลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจนถึงมาถึงโยมพ่อโยมแม่ก็มานับถือหลวงตามหาบัวนับถือหลวงปูล่ลานับถือมาแต่ในหลงญาติพี่น้องของหลวงพ่อเหมือนกันพี่พี่น้องๆ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 ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพวัะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนอะให้ปฏิบัติตามแล้วพวกเราจะประสบความสุขความร่มเย็นเป็นถูกทางด้านจิตใจในหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้มาพูดถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นความเกิดความแก่ความตายท่านจึงหนีออกจากเวียงวังเพราะพุทธเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองอยู่กรุงกบินละพัดเป็นพระเจ้าแผ่นดินอายุ2 9ปีแต่ทำไมพระพุทธเจ้าของเรามีความสุข อ, อยู่เ้วยเวียงอยู่เวียงวังมีบริษัทบริวารห้อมร้อม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 อดพักยอาหารอดอาหารถึง49วันก็อดอดลมก็ อ, อดกั้นลมก็ อ, อดทุกอย่างพระพุทองค์ทำหมดเพราะพร ะ, พระพองค์เป็น เ, เป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำประพฤติธปฏิบัติก่อนจากนั้นวันที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมคือวันเดือนหกเพนวันนั้นวันเดือนหกเพนพระพุองค์นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้า มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อพระ อ, องค์จิตของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานพระ อ, องค์ระลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพนวาสานุตติยานรละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูนยะตายแล้วเกิดอีก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 เราต้องมาเวียนไหวตายเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเราจะเวียนไหวตายเกิดเนี่ยเราควรจะสะ่แสวงหาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนี่อันนี้แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้ว่าจุดตูปปาตาญานเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืน พ, พระพุธองค์ได้ตัดสัตวธรรมแล้วจุตูปปาตาญาณการจุติของสรรพสัตว์คนเราเกิดมา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 อันนี้ไม่ได้เอาความตายมาขู่กันเอาความจริงมาพูดให้กันฟังให้พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าเราเกิดมาแล้วเป็นยังไงต่อไปจุดจบของชีวิตของเราคืออะไรเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเจว้ว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราสรัางขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอปมาเดนะสัมปาเดท่าติพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพาน ในวันเดือนหกเพนที่เมืองกุชินาราที่พระองค์จะปรินิพานพระพุทธองค์สั่งเป็นคำพูดวาจาครั้งจุดท้ายว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด จากนั้นพระ อ, องค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปเพราะเหตุใดพระพุท อ, องค์บอกว่าสังขารไม่เที่ยงพ้อท่า น, นต่างๆต้องยางประโยชน์ตนประโยชน์ตนใกล้ๆก็ว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้มันขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็พร้อมกันเมื่อทำมาหาเลี้ยงชีพได้แล้วก็ให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ช่วยกัน อ, อ, อย่าดูได้ อ, อันนี้แหะคือ ประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเมื่อเราได้สั่งสมคุณงามความดีทั้งตนและทั้งผู้อื่นชีวิตของเราก็จะมีความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขบุญกุศลจะเข้าเพื่อกูลหนุนพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ้าตัทยาตโยมทุกคนที่ท่านเขาเขียนเขาเขาเตือนเอาไว้ผมวงพ่อฟังฟังดูเป็นคาพูดของ พี่น้องชาวจีนนะเขาเขียนแต่ลุงพ่อมาฟังนะเอ อ, เ, อ, อเป็นน่าคิดน่าจะมาขยายผลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังออมีตาแก่คนหนึ่งอายุเจกว่าปีอยอายุเจิกว่าปีตาตาแก่ตายแบบปุบ ป, ปับหัวใจวายตายอยพอตายไปแล้วทีนี้ออยอมมทูทษเขาก็เอาทหารมาเอาไปใช่ไหมละ่ะเอาทหารมาล็อกแขนไปเลยไปหายมมาโทษ พอไปตะแกะก็ไปแบบไม่ได้คิดแต่อ่านไปแบบปุบ ป, ปับพอไปเห็นยมมาทูตก็โม โ, โหให้ยมมาทูดว่าทําไมเอาข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนทําไมเอามาแบบปุบ ป, ปับอย่างนี้นยพอไปเห็นหน้ายมมาทูดพอเห็นหน้าท่านน่ะอตะแกกับตะบันเสียงใส่เลยเหมือนกันเลยยมมาโทษท่านทํากับผมอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเลยนะเออ ทำไมเอามาเอาผมมาทำไมไม่บอกผมก่อนอย่างน้อยต้องบอกผมก่อนที่ว่าจะเอาไปแล้วนะผมก็จะได้เตรียมพินัยงพินัยกรรมก็จะได้มอบหมายให้แกคู่คนลูกหลานญาติพี่น้องอมอบหมายสิ่งของให้เขาอันนี้เอาผมมาแบบนี้แสดงว่าทากับผมไม่เป็นธรรมเลยแต่แกอพอเห็นหน้ายมปริทินนะแต่แกะตะวันเสียงใส แต่ยอมมาทูดเขาก็ตอบโต๊ะใส่เปี้ยงเลยอะอันนี้ไม่ใช่เมืองมนุษย์นะอันนี้เป็นปัะโลกนะปัะโลกนะจำไว้นะทำไมจึงว่าเราไม่สื่อเตือนทำไมหาว่าเราไม่สอนทำไมหาว่าเราไม่บอกเราบอกมาจนพอแรงแล้วแต่ตะแก่ดื้อด้านใชเองไม่ยอมฟังตะแก่เขาว่าท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงท่านไม่เคยเตือนผมเลย เออไม่บอกเคยบอกผมเลยบอกผมที่ไหนไมเ่เคยเห็นบอกไปปุบ ป, ปับก็เอาผมมาเลยอย่างเนี้ยยมมาทูดก็เลยบอกว่าเอาเถอะเราเคยเตือนมาหลายครั้งเมื่ออายุเท่าไหร่เจ้านน่ใช้แว่นตาเมื่ออายุเท่าไหร่อายุสี่สิบกว่าปีครับนั่นแหละเตือนไปแล้วจดหมายฉบับที่หนึ่ง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 ให้พวกเราฟังเอาไว้นะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่าพวกเราไม่ฟังยมมาโษนะอีกสักวันหนึ่งยมมาโษจะเอาไปปรั บ, บจะหาว่าเขาไม่บอกไม่กล่าวไม่ได้นะจากนั้นเขาก็เอ า, เอาเอาเถอะเราเตือนมาหลายครั้งแล้วไม่ยอมฟังมีแต่ดันทุลังมีแต่ทํามาค้าขายมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตาย ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอะไรเอาไว้เลยไปทหารยมมาโทษเอาไปลงกระทะสะักเผาให้เข็ดยมมาโทษก็เลยเอาตาแก่นะั้นลงไปลงกระทะเผาให้เข็ดไม่รู้จะได้ขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่นี่อยู่ข้างๆไปด้วยกันกับตาแก่ ย, ยมมาโทษรับไอ้ที่ท่านเตือนคุณลงที่เมอก้เนี่ย เตือนอตาฝ้าตาฟังผมผักขาวฟันหลุดหูตึงหนังเหี่ยวโยมมาโทษเตือนจริงแต่ผมเนี่ยอายุเพียง22ปีท่านยังไม่ได้เตือนเลยท่านก็เอาผมมาแล้วสแสดงว่าท่านทำกับผมไม่เป็นธรรมไอหนุ่มคนนี้คล้ายๆกันโยมมาโทษไม่ได้เตือนอย่างที่ที่เขาบอกแต่โยมมาโทษเขาบอกว่า เราเตือนไม่ใช่ว่าเตือนอย่างเดียวเราเตือนมาหลายๆแนวทาง เ, เธอมีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมอายุเท่าไหร่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เพื่อนรักกั น, นที่ตายไปก่อนอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสอปีครับเขาทําำไมจึงตายเพราะตายวายครับแล้วเธอล่ะผมเป็นโรคปอดครับผมเป็นโรคปอด เ, อเป็นวัณโรคครับตายคราวนี้นั่นแหละ ที่เราเตือนข่าวก่อนน่ะเป็นเพื่อนกันอายุ20สกว่าปีก็ตายไปเราเตือนแล้วเกิดมาแล้วต้องตายแต่เจ้าก็ยังลุ่มหลงอยู่คิดว่าตัวเองยังไม่ตายจะว่าเราไม่เตือนได้อย่างไรคนอื่นคนอื่นตายกันได้น่าจะน้อมมาหาตัวเองว่าอีกสักวันหนึ่งข้าจะข้าไปเจ้าจะต้องตายอย่างที่เขาไม่มีใครที่จะหลีกลี่นี้ไปได้ข้าไปเจ้าต้องสังสมคุณงามความดี ต้องสั่งสมบุญกุศลมันจึงจะถูกอันนี้เราเจ้ายังสนุกสนานเพลิดเพลินไปอีกเ อ, เอาเถอะ เ, อเจ้ายังอายุนังน้อยหนุ่มอยู่ยังไม่ได้ทำบาป ก, กรรมอะไรมากมายนักหนาไปไปหาเกิดซะต่อไปอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนย์ยมมาโทษเขาให้ให้อภัยโทษให้ชายหนุ่มคนนั้นไปหาเกิดใหม่นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะอันนี้เป็นคติคติ ที่สอนพวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราพวกเราเกิดมาทุกคนนะยมบรรทูดเขาเขียนวีซ่าให้หมดนะนะเขาเขียนวีซ่าให้พวกเราแล้วนางนั้นนายนี้ไปเกิดเ อ, เอ้าไม่ไปสร้างสั่งสมคุณงามความดีนะไปสร้างบุญสร้างกุศลนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพอวันดีคืนดีมาเขากส่งวีซ่ามาให้แล้วจะไอ เขาก็ส่งวีซ่ามาให้พวกเราพวกเราก็ได้รับเนี่ยอย่างคุณยายเนี่ยท่านได้รับวีซ่าแล้วนะพอได้รับวีซ่ายยมมาทูตเขาส่งวีซ่ามาให้ท่านก็ต้องกลับต่างประเทศของท่า น, นกลับแล้วงั้นกลับบ้านเก่าของท่านกลับต่างประเทศพวกเราอีกไม่นานก็ส่งขึ้นเม น, เนจากนั้นก็ยายก็ไปตามเรื่องของยายะ ว, วิญญาณก็ไปตามบุญตามกุศลของยายที่ได้ทา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 กับลูกๆยังมากราบหลวงพ่ออยู่ที่กุฏิวัดป่าบ้านตาลหลวงพ่อยังได้เตือนคุณยายอยู่นะเออคุณยายนะตั้งใจภาวนานะให้เข้มแข็งนะอะไรจะเกิดมันต้องเกิด เ, ออเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ให้ตายได้ยังไง อ, อ, อะไรจะเกิดมันต้องเกิดแต่ให้อย่าประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทคุณยายก็สาธุนะออจากนั้นไม่นาน ไม่ถึงเดือนสองเดือนคุณยายก็ไปแบบปุบ ป, ปับอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่แหละนี่แหละชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับนะัตยาญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาสิทธทวานิจาวัตสังคาราและขยะวยธรรมมาสร้างข้าราที่หลวงพ่อได้แปลและอธิบายให้ฟังแล้วก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติการ แสดงธรรมด้วยอํานาจคุณพระศีรัะตะน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและกับบุญบา ร, รมีของคุณยา่าคุณยายน้อยของพวกเราได้สั่งสมบุญมาแล้วก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทําแล้วนั้นเป็นปัจจัยเกือ้อกูลหนุนท่านและกัพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้ร่วมกันทําบุญทําบุญทํำทาน ด้วยการส่งพลังทางจิตด้านทางด้านจิตใจก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายของพวกเราไปสู่สุคติท่านปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปราถนาพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราอยู่เบื้องหลังลูกหลานด้วยบุญบารมีของคุณยา่าคุณยายของพวกเราท่านได้สั่งสมมาก็ขอให้มาคุ้มครองลูกหลานทุกขู่ทุกคน ให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังปราถนาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติเอวังก็มีด้วยปกาละชะนี